เรื่องอุกขเสณบุตรเศรษฐีกับภริยานักฟ้อนพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปราบรคบุตรเศรษฐีชื่ออุกขเสได้ยินว่าบุตรเศรษฐีชื่ออุกขเสณ ร, รักใคร่หญิงนักฟ้อนในงานมหรสพประจำปีมารดาบิดาไปสู่ขอนางมาเป็นภริยา อยู่ร่วมกันต่อการไม่นานก็ได้บุตรเขาตามคณะแสดงไปกับภริยามีหน้าที่ขนหญ้าให้โควเฝ้าเกวียนหามของให้คณะนักแสดงถูกภริยาเย้าหยอกว่าเป็นคนวเฝ้าเกวียนคนขนญ้าเป็นต้นเกิดความละอายจึงเริ่มฝึกหัดแสดงศิลปะจากพ่อตาจนชำนาญเขาเริ่มแสดงงานได้ขึ้นไปสู่ไม้แป้นสูงหกสบศอก ยืนอยู่บนปลายไม้นั้นพระศัสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกเขาเข้าไปอยู่ในกายพระญานพระองค์จึงทรงสเสด็จมาโปรดเขาเริ่มแสดงหกเมรถึงเจ็ครั้งแล้วกลับมายืนที่เดิมอีกผู้คนปรบมือกันเกลียวกราวพระศัสดาสเสด็จมาถึงเขาเริ่มแสดงอีกไม่มีคนดูเขาเลย หันไปดูพระสสดากันหมดเขาคิดว่าศิลปะนี้เปล่าประโยชน์แล้วหนอพระสสดาทรงทราบความคิดของเขาจึงให้พระมหาโมคลานะไปพูดกับเขาให้แสดงต่อไปเขาดีใจที่พระสสดาจักดูแสดงของตนเขาหกขเมนถึง14ครั้งในอากาศแล้วลงมายืนอยู่ที่แป้นไม้ตามเดิม พระศาสดาทรงตรัสว่าท่านจงเปลื้องความอาลัยข้างหน้าจงเปลืองความอาลัยในท้ำกลางจงเปลื้องความอาลัยข้างหลังเสียจะเป็นผู้ถึงฟังมีใจหลุดพ้นในธรรมะทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติชราโมรณาอีกอธิบายคําว่าเปลื้องอาลัยคือเปลืองความยินดีรัถนาหมกมุ่น ความอยากในขันทั้งลายที่เป็นอดีตอนาคตแม้ที่เป็นปัจจุบันอุคเสณยืนอยู่ที่บนปลายแป้นไม้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงมาถวายบังคมพระ า, าสดาทูลขอบรรพชาด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาทรงไว้ซึ่งบริขาร8ประหนึ่งพระเทระมีพรรษาห0ในขณะนั้นนั่นเอง ในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์แป0พแล้วพระสัสดาทรงตรัสเล่าบุรพากกรรมของอุคเสณดังนี้ดังได้สดับมาในอดีตการครั้งนั้นชนกำลังทาสุพรรณเจดีสำหรับพระพุทธเจ้ากัสปะชาวพระนครต่างบรรทุกของเคี้ยวของกินมากมายไปสู่เจดียสถาน ช่วยกันก่อสร้างสองสามีภริยาบรรทุกของบริโภคมาในยานเป็นอันมากพบพระเทระองค์หนึ่งกำลังบินธบาททั้งสองมีจิตเลื่อมใสถวายพัตนาหารตั้งความปรารถนาว่าขอเราทั้งสองคนพึงมีส่วนแห่งธรรมะอันท่านเห็นแล้วนั่นเทียวพระเทระนั้นเป็นพระขีนาศพท่านยิ้มและกล่าวว่าเอวังโโหตุ จะเป็นอย่างนั้นแล้วหลีกไปสามีภริยานั้นดำรงอัตภาพชั่วอายุแล้วเกิดในเทวโลกเคลื่อนจากที่นั้นแล้วหญิงนั้นเกิดในเรือนคนนักฟ้อนชายเกิดในเรือนของเศรษฐีอาศัยบินทะบาตทท่ถวายแล้วแก่พระกี น, นาศพจึงบรรลุอรหัตแล้ว ป่ายทิดาของนักฟ้อนผู้เป็นภริยาบรรพชาในสำนักของภิกษุณีทั้งหลายแล้วต่อมาได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งดังนี้แล